งพงไพ่หมดแล้วงามเจ้าเจ้าก็อไม่ฟังอยากดังเลยโจดไม่ต้องแจวลับมามีลูกตาแป้พวพงไพ่หมดแล้วโอแม่แก้วสาร บริญญาแก้วตาไม่สนถามเจ้าเจ้าก็จะไปไปโทษใครเขาเล่าหน้ามุนกลับมาหนังตาเหี่ยวย่นโถเฮ้ยหน้ามุนหลอกพงพายหมดแหละ ่อยากดังนี่ตามผู้ชายปลับมาบ้านน่าไม่อายมีทองมีไส้หนูพุงพายหมดแล้วงามเจ้าเจ้าก็ไม่ฟังอยากดังเลยโจทย์ไม่ต้องแจวปลับมามีลูกตาแป๋วพุงพายหมดแล้วโอแม่แก้วสาลิกา เป็นคนมันไรทองหน้าไม่มีปริญญาแก้วตาไม่สนถามเจ้าเจ้าก็จะไปไปโทษใครเขาเล่าหน้ามนหลับมาหนังตาเหี่ยยนโ้ยหน้ามนน้องพงพายมดแล